ได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์แปลออกมาแล้วมีแต่สิ่งสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการพระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าที่ได้เคยมาตัดสรุ้ก่อนหน้านั้นจากนั้นเป็นการอัญเชิญพระอรหันต์ขีนาศพอันสำเร็จคุณธรรมวิเศษแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนอกนั้นยังอัญเชิญพระสูตรต่างๆอันโบรณาณจารย์เจ้าถือว่าเป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษแต่ละสูตรมารวมกัน สอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาพระคาถาลงมาจนล้อมรอบตัวจนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้เพื่อให้เกิดอนุภาพยิ่งขึ้นก่อนจเจริญภาวนาชินบัญชนตั้งนโมสามจบ แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จ ด, ด้วยคำว่าอุตตกาโมลาเพปุตตังธนกาโมลาเพธนังอัติกาเยกายยายักเทวานังปียตังสุตวาอิทิปิโสภคะวา ยมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหัง จตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวีสตินายกาัสเพปติธิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปติธิตโตไมหัง พุทโธมโมทวิโลจะเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเรสภะคุณากรโขหะทะเยเมอนุรุตโทสาริปุโตจทักคิเนโกนพันโยปิติภาคมิง โมคันลาโนจะวามะเกทักขิเนสวเนไเมยหันอาสุงอานันทาราหุโลกัสโปจะมาหนาโมอุปาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังคโร นิสินโนสิริสัมปันโนโสภีโตมุนิปุงขโวกุมารากัตสโพเทโรมเฮสิจิตวาทะโกโสไมหังวัทเนนิจังปติทาสิคุาากโร อุโนังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจะอิเมชาตานลาเทติลกามะมะเซสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกา เอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชิโนระสาฉลันตาสิละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาราตะตนังกุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตะกังทาชักังปัชโตอาสิ ว่าเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตกังอากาเซชะทนังอาสิเซสาปการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปการละลังกตา วาตปิตาที่สัญชาตาพาหิรัชัตุปัทถวาอเซสาวินยัง an ยันตุอนันตชีนาเตชสาวสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญเรชินาปัญฉรมั m a t c h a วิหารตังมหิตเลสถาปาเลนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวามันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตราโย ο, สัทธมัมมานุภาวะปาลิโตจรามิชินปพันชเรตี